ในเมื่อพระ อ, องค์ใช้ตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญามรักแปดแก้ไขพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็มั่นใจว่าเราได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาติจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ประกาศภาษาศาสนาพระธรรม 84% ดหมพันพระธรร ม, มขันธ์ก็ออกมามาเรื่อยเรื่อยมากมายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้แหละคือ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 อ่าไม่รู้จักการเวลาเพราะว่าเรามาปฏิบัติเรามาภาวนาหาหมุมสงบอันนี้คือสำหรับพวกเราทุ่มกู้เข้ามาบวชเข้ามาศึกษาพระน้อยพระหนุ่มทั้งหลายอันนี้คือแนวทางแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนผมเองหลวงพ่ออินเองก็เคยทาอย่างนั้นอย่างที่ นี่ลงองหลวงตาที่ท่านแนะนาสั่งสอนเพราะสมัยนั้นคู่คนก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้อง่ท่านก็ไม่ให้คู่คนเข้าไปพุกผ่านวุ่นวายภายในวัดในภายในพระสงฆ์ที่พักพาอาศัยอยู่ท่านก็ให้พระภาวนาถ้าใครอยากจะไปบางทีท่านก็พาไปบุคคลสำคัญ เ, เข้าไปกันนั่นโดยมากจะไปดูที่ให้อาหารกระแตกกุติลงพ่อนั่นะ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 กุติที่พักของพระจากนั้นเมื่อท่านออกไปแล้วท่านยังคอยเรากลับเข้ามาหาที่กุติของเรา น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือองหลวงตาที่ท่านแนะนำท่านบอกกล่าวสำหรับผู้ประพฤติธปฏิบัติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพระบวชเข้ามาให้ศึกษาอดนอนผ่อนอาหารทำความภาคเปลียนอย่าไปเห็นแก่โม้แก่ควีอย่าไปเห็นแก่การคุกคลี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 กิเลสภายในใจของเราให้หลุดออกไปเมื่อกิเลสหลุดออกไปนั้วน่ะเจ็ดใจของเราหยุดหยุดหมุนตามวัฏจักรรู้แจ้งเห็นจริงเข้าสู่อมตะความบริสุทธ์หลุดพ้นคือพระนิพพานนี่แหละมีที่สิ้นสุดถ้าว่าพวกเราไม่ได้สกัดแล้วนะ่ะไม่รู้จะเกิดพบไหนพบไหน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 จากช่วระยะหนึ่งอากาศมันดีอยู่แล้วนะอากาศเย็นสบายสบายอากาศไม่ร้อนยุงก็ไม่มี น, ะนั่งภาวนาสิเรานอนในภพในชาตมาิมามากต่อมากแล้วนัดติดนอนในภพในชาติบัดนี้เราจะถอนออกจากภพชาติตัวซิทำยังไงนะเอานั่งสมาธิ